ดังนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อได้ฝึกพิจารณาในอดีตและในอนาคตเห็นช่องทางความเป็นจริงดังนั้นก็จับพิจารณาในปัจจุบัน ที่จิตและอารมณ์ของจิตอันอาศัยอาจตนะตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจรับรูปเส้นเป็นรสโภตพะและธรรมะคือเรื่องราว เป็นอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจยกตัวอย่างเช่นสัท ธ, ธารมณ์อารมณ์คือเสียงเมื่อหูกับเสียงประจวบกันเกิดความรู้เสียงเสียงก็เข้ามาเป็นอารมณ์ เป็นสัทธารม์อารมณ์คือเสียงและเสียงที่เข้ามานี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเสียงของถ้อยคําที่แสดงธรรมซึ่งเป็นถ้อยคําแต่ละคําแต่ละคําคําที่หนึ่งเข้ามา ก็เกิดผ่านไปก็ดับคำที่สองก็เกิดดับจึงถึงคำที่สามกเกิดดับถึงถึงคำที่สี่เป็นต้นจิตยอมรับอารมณ์ในคราวละหนึ่งเท่านั้นแต่เสียงแต่ละคำนั้นก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเสียงสิบคำก็เป็นสิบอารมณ์เพราะฉะนั้น อารมณ์แรกๆก็ต้องดับไปดับไปจึงรับอารมณ์หลังๆที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันด้วยฉะนั้นก็คอยจับดูความผ่านเข้ามาของเสียงและความผ่านไปของเสียงก็เป็นเกิดดับเป็นเกิดดับแต่ละคําของเสียงที่ได้ยินนั้น ถ้าเป็นถ้อยคำเพราะฉะนั้นเมื่อจับดูรูปประธรรมนามรธรรมที่เป็นปัจจุบันดังนี้ก็จะมองเห็นความเกิดดับที่เป็นปัจจุบันและก็พิจรารณา ว่าในอดีตก็เป็นเช่นเดียวกันในอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกข์ขณะขณะที่เป็นอดีตก็เกิดดับขณะที่เป็นอนาคตก็เกิดดับขณะที่เป็นปัจจุบันก็เกิดดับ เพราะฉะนั้นสังขารกับการเวลาจึงต้องประกอบกันจับการเวลาขึ้นมาดูสังขารให้เห็นความเกิดดับหรือว่าจับสังขารขึ้นดูการเวลาเห็นให้เห็นความเกิดดับก็ใช้ได้ เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงขึ้นมาเป็นมีปัสนาได้เพียงใดก็ยอมจะเป็นเหตุสำรอกจิตจากความติดใจ ย, ยินดีตลอดถึงจากความยินร้ายอันเนื่องมาจากความยึดถือ ได้ลักษณะที่สำรอกจิตได้จากความติดใจ ย, ยินดีหรือจากความยินไร่ดังนี้เป็นวิราคะก็ตามดูให้รู้ให้ใหเห็นวิราคะที่ปรากฏขึ้นอันเป็นผลของความรู้แจ้งเห็นจริงใน ลักษณะหรือในธรรมะที่ไม่เทียนดังกล่าวนั้นและเมื่อได้ตามดูให้รู้ให้เห็นวิราคะดังกล่าวได้ ก็จะทำให้ปรากฏเป็นความดับดับทุกข์ดับเหตุก่อทุกข์คือตัณหาคือจิตใจที่มีทุกข์เป็นความโศกเป็นต้นความโศกนั่นก็จะหายไป ดับโศกได้จิตใจที่เคยดิ้นรนไปต่างๆก็จะดับความดิ้นรนลงได้เป็นความสงบก็ตามดูให้รู้ให้เห็นตัวความดับดังกล่าวนี้เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงขึ้นได้เพียงใดก็จะปรากฏเป็นความสลักคืน คือจะมองเห็นความปล่อยวางลงได้เคยยึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่รักก็ดียึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่เกลียดชังก็ดีอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆเช่นความโศกเป็นต้นเพราะความพัาดพลาดก็ดี หรือให้เกิดความตื่นเต้นยินดีเพราะได้รับก็ดีก็จะปล่อยวางลงได้บรรดาสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นเมื่อปล่อยวางลงไปได้ ทุกต่างๆก็ดับไปหมดแล้วจะมองเห็นความปล่อยวางนั้นเหมือนกมอะไรไว้ยึดอะไรไว้ก็ปล่อยก็ส่งคืนแก่เจ้าของเข้าไปคือแก่ธรรมชาติธรรมดาบุคคลเรานั้นเมื่อไม่ตามรู้ ให้เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงอันเป็นตัวธรรมดาย่ำจะมีความยึดถือต่างๆอยู่เป็นอันมากจิตจะดิ้นรนไปต่างๆจะมีความทุกข์ร้อนไปต่างๆจะมีความยึดถือต่างๆน้อยหรือมากแต่ว่า เมื่อมหัดปฏิบัติให้เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจะทำให้จิตใจนี้สำรอกความจิตใจยินดีเพลิดเพลินตลอดจนถึงความยินร้ายลงได้เป็นวิราคะเมื่อเป็นวิราคะก็จะเป็นนิโรธะคือความหลับ ดับทุกร้อนดับความดิ้นรนของจิตใจและจะปรากฏเป็นความปล่อยวางเป็นความสละคืนเป็นอันว่าวางเรื่องต่างๆที่ยึดถือไว้หมดเรื่องกันทีหนึ่ง ก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอันนับเนื่องอันนับเข้าในธรรมานุปัสสนาผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานแม้จะจับตั้งต้นหรยอาณาปานสติเท่านั้น แต่เมื่อปฏิบัติให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วภูมิปฏิบัติก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาโดยลำดับต้องถึงธรรมานุปัสสนานี้จึงจะพบกับความ ดับกิเลสในความพ้นทุกได้ตามควรในความปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งกรรม คือการงานที่กระทําทุกอย่างและแห่งสุขและทุกข์กับทั้งเป็นที่ตั้งแห่งทั้งส่วนดี อันเรียกว่าบารมีทั้งส่วนชั่วอันเรียกว่าอาสวะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในบุคคลทุกๆคน เป็นที่เก็บแห่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาในอดีต ท, ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตธภาวนาการอบรมจิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ปรากฏคุณค่าของจิตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงบวช เ, เพื่อความตรัสรู้ก็ได้ทรงทมจิตภาวนาอบรมจิตนี้ให้เป็นสมาธิอันบริสุทธ และวิธีที่ทรงได้สมาธิอันบริสุทธินั้นก็ไม่ใช่ทรงได้จากคณาจารย์ที่ได้ทรงศึกษาโดยเฉพาะ คือไม่ใช่ทรงได้จากท่านอาลารดาบทกาลามโคตท่านอุทธกะดาบทรามบุตรแม้ว่าขั้นของสมาธิที่ทรงศึกษาได้ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสอง นั่นจะเป็นขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่าม่ใช่ฌานสมาบัติสำหรับที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณ พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดในพรหมโลกท่านรูปประพรมมโรก ป, ประพรหมแต่ว่าทรงได้ หลักการปฏิบัติสมาธิอันบริสุทธิ์เพื่อพระโพธิยานนั้นจากเด็กๆนั่นเองและเด็กที่ได้สมาธิ อันเป็นแบบให้ทรงถือเอามาปฏิบัติต่อ น, นั้นก็ไม่ใช่เด็กอื่นไกลแต่ว่าเป็นเด็กคือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่ พระบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวันนั้นพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกุมารเด็กก็ได้ประทับนั่งณภายใตรมว่าจิตของพระองค์รวมเข้ามากำหนดลมให้ใจเข้าออก ก็ทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นขั้นปฐมฌานที่ว่าเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์นั่นก็เพราะว่ารวมเข้ามาโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไร จิตรวมเข้ามาอย่างไม่มุ่งหวังอะไรจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และการได้สมาธิที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเป็นพระราชกุมารเด็กนั้นก็ไม่มีวิธีปฏิบัติ อย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายจิตรวมเข้ามากาหนดลมให้ใจเข้าออกของพระองค์เองเพราะว่าทุกคนก็ต้องให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ตลอดเวลาจะไปข้างไหนก็ต้องหายใจเข้าให้ใจออกไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนก็จ ะ, ะนั้น เมื่อนั่งสงบอยู่เฉยๆลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏเพราะว่าไม่ได้ไปนึกอะไรที่อื่นก็จับลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏนั้นกำหนดจิตกำหนดก็ได้สมาธิแหละจิตของเด็กนั้น ยังไม่มีนิวรณอะไรยังไม่มีกอรมชันพยาบาทที่นิมิตรอุทจักกุตจักวิกิช้าอะไรมากหรือเกือบจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีตัณหาในกามในภพ อะไรเข้ามาเจือปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างทรงเรียนสมาธิได้จากแบบของเด็กซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีนิวรณก็ทรงจับเอา แบบสมาธิที่บริสุทธิ์นี้มาทรงปฏิบัติต่อโดยทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มุ่งหวังอะไรมุ่งให้จิตสงบเข้ามาจิตจึงสงบจากกามจากอกอุศลธรรมทั้งหลายไม่มีนิวรณ ก็รวมเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และก็ท่งน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้เพื่อรู้ท่านก่อแสดงว่าทรงได้พริยนคือความอย่างรู้ระลึกชัดได้ย้อนหลังไป ชาติหนึ่งสองชาติสชาติ5ชาติาชาติเป็นต้นไปมากมายอันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณคือความอย่างรู้ระลึกนิวาดซึ่งในที่นี้ แปลกันว่าขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้คำามนิวตดนี้มาใช้เป็นชื่อของบ้านเนช่นใช้ในภาษาไทยวัดสว่ า, วางคณิวัดแต่ว่า สำหรับในพระยานนี้มุ่งถึงขันรูปขันนามาขันคือขันห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นนิวาดคือเป็นที่อาศัยอยู่หรือเป็นบ้านของสัตว์ทั้งหลาย ก็คือภูที่ยังมีความค่องอยู่ยังต้องแล่นไปอยู่ตามอำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนที่ยันอยากของจิตใจชื่อวัาสัตว์ และก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตว์ตวโลกก็หมายสัตว์คือภูที่ยังมีความความ้องอยู่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ริฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกาย เมื่อยังมีความค้่องอยู่หรือกิเลสเป็นเครื่องข้่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทางนั้นคือสัตวโลกตั้งอยู่ภายในจิตนี้เองก็มีนิวัตคือมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ในชาตินั้นๆก็คือขันรูปะขันนามขันนี่แหละ กระซงระลึกถึงพระองค์เองซึ่งอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านอันได้แก่ขันเป็นที่อาศัยอยู่ดังกล่าวย้อนหลังไปได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อโคตคือสกุล สุขทุกข์อะไรต่างๆในชาตินั้นๆนนอันความระลึกชาตผลหลังได้ดังนี้เรียกว่าปุเพนิวาสนานุสติญาณญาณที่เป็นอนุสติคือระลึกย้อนหลังได้ ถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางกอดคราวนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจิตนี้เองเก็บเรื่องที่ผ่านผ่านไปซึ่งในประพบซึ่งในประสบพบผ่านแล้วไว้ได้ทั้งหมด ไม่มีบกพร่องและเมื่อได้สมาธิดีจนถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะระลึกลงไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั่น อันยังเก็บเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่ายาณรู้ที่ระลึกย้อนหลังไปได้อาการที่ระลึกระลึกย้อนหลังไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวสติ คืออนุสติที่ใช้ในที่นี้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกับสติคือความระลึกได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกำลังของทุกๆคนที่ท่านอธิบายว่าระลึกถึงการงานที่ทำคำที่พูดแล้วไว้แม่นานได้ เป็นสติในปัจจุบันชาตินี้เมื่อใครมีสติดีกอดระลึกได้ถึงการงานที่ทำคำที่พูดไว้เมื่อวนนัอวนนี้ได้ดีเมื่อวันซืนนี้ได้ดีเมื่อเดือนที่แล้วได้ดีเมื่อปีที่แล้วได้ดีดังนี้เป็นตน้นย้อนหลังไปได้แต่ว่า เรื่องที่ระลึกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสมาธิให้ดีได้สมาธิดีแล้วก็สามารถที่จะระลึกย้อนหลังไปได้ ตามสมควรแก่กำลังของสติอันเกิดจากสมาธิที่ดิ่งลงเป็นความรู้ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นพยาน้อนี้และต่อจากนั้นก็ทรงได้พยานที่ยังรู้ว่าสัตว์ทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆทำกรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติดีมีความ